การทๆใส่ใจสักหน่อย <c oughs> แล้มีงานแล้มีงานมีการแล้วก็มีการกระทำงานนั้นด้วยความใส่ใจงานก็สำเร็จถ้าไม่ใส่ใจมีงานไม่ทำ แั้วก็งานข้างคาอยู่แทนที่มันจะมีอันเดียวก็มีหลายอย่างงานของเราคือกรรมฐานมีความรู้สึกตัวเป็นงานมีความหลงเป็นงาน รวรู้สึกตัวไปทำความหลงให้เป็นความไม่หลงเรื่องงานของเราถ้ามันหลงให้ทำให้มันรู้งานข้างมันจะมีภาระอีกหลายอย่างถ้าปล่อยงานข้าง ถ้าเป็นพระไปถึงการเกิดเจ็บเจ็บตายมีความรู้สึกตัวไม่ใช่ก็ได้ว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ผิดไม่สมกับเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตไปทำอย่างอื่นสิ่งที่ควรทำไม่ทำ สิ่ที่ควรไม่ทำไปทำผิดฝาผิดหลังไปถ้ามีความรู้สึกตัว <c oughs> ทำให้บันมีขึ้นมาถ้ามันไม่มีแล้วก็มันก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไปใช่อย่างอื่นซะ จะใช่ความหลงไปใช่ความพอใจใช่ความไม่พอใจผิดฝาผิดหนังชีวิตของเราเป็นเช่นไรใช่แบบไหนกันใช่ชีวิตนี้ใช่เป็นหรือเปล่าถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าใช่เป็นก็เป็นประโยชน์อนะ่ให้ มันชัดตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมันชัดตั้งแต่เริ่มต้นจับการได้อย่างนี้ก็คล่องตัวแม้นประกอบการอะไรก็ตามจะเป็นผู้นำได้เรียนจบได้ถ้าไม่คล่องตัวก็นำอะไรไม่ได้ตามเขาอยู่ ต้าเริ่มต้นไม่ดีท่ามกลางก็ไม่ดีที่สุดก็ไม่ดีต้าเริ่มต้นดีแล้วก็ไปได้ง่ายรวมหลงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่านึกว่าเป็นของเล็กน้อยตอให้เกิดเจเจ็บตายได้ ถ้ามีความหลงก็ไปถึงความเกิดเจ่เจ็บตายความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้ามีความรู้ก็ทำห้พ้นการเกิดเจ็เจ็บตายมันปานนี้นะแ้ะหว่างรู้ระว่างหลงเนี่ยถ้าเราหลงปล่อยให้หลงก็แน่นอนต้องมีการเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอน ไม่ต้องปาดิานเรื่องไหนไม่ต้องขนขวายลายไม่คุ้มค่าถ้าทำชีวิตแบบน่านนะ้ำในความรู้สึกตัวก็หนืดคึ้นเกิดกเจ็บตายจริงๆได้ทำดูแล้วตามตามพระพุทธเจ้าทรงสองสอนเอาไว้ตื่นนะ โอ้ยเราหลุดพ้นเพราะเรื่องนี้นะทำเท่านี้นะมันหลุดพ้นมาเนี่ยนะมันหลุดพ้นเราจึงเห็นคุณค่ามากมายแต่ก่อนจะหลุดพ้นได้ถ้าไมา่ถ้าเราไม่ประกอบมันก็ไม่ปีไม่เห็นคุณค่าของความรู้สึกตัว เป็นเรื่องเด็กน้อยไม่มีค่าสำหรั บ, รบชีวิตบางชีวิตถ้ามีความหลงจะแสดงว่าไม่มีชีวิตแต่ต้องมีความเกิเจ็เจ็บตายไม่ได้ชีวิตเลยเลยใช้ชีวิตผิ ด, ผดไปสิแล้ว ถ้าได้ชีวิตก็คือไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไปไกลไม่ทุกข์ไม่โกรธไปโลภไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจไม่ไม่พอใจไม่ได้เป็นโุกไม่ได้เป็นทุกข์นี่คือชีวิตจริงๆชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกหัด นั่นมีให้เราฝึกขัดเราไม่ฝึกขัดก็ฟรีไปเคยไปพูดอยู่ที่ไต้หวัน1ิบกว่าปีมาแล้วพูดแรงๆสักหน่อย <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้มีคนไต้หวันเขาพิมพ์เป็นชิดออกมา มี่พระไทยไปอยู่ที่นั่นเขาก็อ่านภาษาจีนได้ล้วก็เลยมาบอกว่าหลวงพ่อพูดแรงเกินไปหลางพ่อยังหนุ่มอยู่ถ้าเจ็ดสิบปีแล้วค่อยพูดตรงนี้จะดีมากหลางพ่อยังหนุ่มให้เจ็ดสิบปีเราพูดได้สบายเลย ทำไมเขาไมา่คิดจากนั้นเขากลัวเลยมันน่าจะพูดตั้งแต่นุ่มๆเพงจะดีถ้าเกิด10ปี จ, จะให้พูดตรงนี้คนที่มาถึง7 0ปีจะรู้นี่ก็รู้ไม่ได้หรือ เขาเป็นเจ้าตัดสรูอายุสามสิห้าปีเท่านั้นเองทำไมต้องถึงเจ็ดสิบปีสังกิจจอสําเดนเดปีเท่านั้นได้รู้เรื่องนี้เขาหลายชีวิตที่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่นาน้อยอ่านเราจะรอเมื่อไหร่ จึงจะให้ผ่านตรงนี้ได้จากหลงเป็นลูกถ้ามีความทุกข์จากทุกเป็นลูกถ้ามีความโกรธความโลภความละความชังก็ให้ถึงความลูกมันจึงจะจบมันจงเหนือการเกิดจะเสบตายอย่าไปทำเล่นๆ น, นะมันจะมันจะด้าน หลงแล้วก็เฉยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะความหลงมันพ่อคูนขึ้นเหมือนสิ่งเสบติดได้เหมือนยาเสบติดาด้านในความหลงอันอื่นอันเดินง่ายเช่นความโกรธง่ายง่ายถ้า บ, บันดานตรงนี้มันก็โกรธ ด, ด้ทุกกง่าย โอเคพอใจไม่พอใจง่ายๆดียากชั่วง่ายไปเลยนะถ้ามันด้านตรงนี้เนาะมีอย่างนี้กันทั่วๆไปคนในโลกชีวิตในโลกนะมันจะต่างกันตรงนี้ <c oughs> ด่านปฏิบัติธรรมให้ใส่ใจสักหน่อย ถ้าไม่ใส่ใจตรงนี้มันจะพ่วงไปเแเพราะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับหลายอย่ามีโลกมีรถมีกินมีเสียงมีตามีหูจมูกเล่นกายใจเพื่อรลบใช้ในเรื่องกรรมักคุณทั้งหลายในรถของโลกให้ได้สัมผัสรถของโลกจะได้ติดบ่วงติดโลกมันเป็นอย่างนั้นนะ แล้วเราอยู่ในฐานะแบบไหนกันจะเที่ยงไปยอมร้องไห้หัวเราะไปรับใช่พบชาติเตียนไายตายเกิดแทนที่จะสิ้นพบสิ้นชาติขึ้นฝังซะให้มันนั่งสบายมองดูสัตว์โลก ที่แบกบ่อในวัฏจักรเกิดเจ็บเจ ต, ตายแทนที่จะได้ชีวิตเลยชีวิตก็เลยเอว้ให้เพื่อเสียชีวิตได้มาเสียไปมีแล้่าเสียไปมีเล่วเสียไปมีแล่วหายไปนั่นเท่ า, ากับขอเจรตตลัคณาสู สังขารคือร่างกายจิตใจแลงรูปทางนามท ำ, ท, ำทั้งหมดทั้งเช่นเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเห็นกับผูกับตากันอยู่สังขารคือมันสุขบรรทุกพอใจไม่พอใจมีแล้วหายไปแตงเย็บใช่พอใจไม่พอใจอยู่ รับใช่อยู่พอใจไม่พอใจหลายภพหลายชาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับ <c oughs> เกิดดับเกิดดับห <c oughs> น้าขนหัวลุกหนะเนี่เรายังประมาทโทใจพอใจที่จะหัวล้พอใจที่จะล้อง่ายพอใจที่ผิดศุขทุกทุก ให้เป็นภาระต่อชีวิตชีวิตไม่ชีวิตที่ได้ชีวิตมันไม่เป็นเช่นนะั้นมันไม่มีอะไรที่ใช่แบบนั้นอีกแล้วมันจบเป็นมันจบเป็นนะมีอย่างนี้ในชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงหลงเพื่อไม่หลงนะทุกเพื่อไม่ทุกถ้ามีต่อไป โกรธเพื่อไม่โกรธเพื่อการนี่โดยตรงถ้าหลงเพื่อหลงไม่ใช่หรอกผิดฝาผิดหลังกันแล้ ว, ลลวอันหลงไม่หลงเนะ่ยมันอยู่ที่ไหนหลอกเหตุยอยู่ที่ใดผลอยู่ที่นั่นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเลวิว้ัยของเราโดยตรงเลยเน่ย ไม่ต้องพลาดแน่นตรงนี้ไม่ต้องพลาดแม่นยาชัดเจนเรื่องอย่างนี้ชีวิตแม่นยาชัดเจนใช้อะไรก็ชัดเจนเรื่องนั้นเป็นเรื่องกายเรื่องใจใช่ไม่ผิดชัดเจน ถูกฝ่ถูกฝังได้จุดไม้ปลายทางได้ให้เครื่องไหวถูกได้ถูกถูกคิดถูกทงถูกการนั้นก็ชอบถูกไปวาจาก็ถูกอะไรก็ถูกไปเยอะแยะไปเลย ก็ไม่ชัดเจนนัแต่ที่แรกผิดตามไม่ทันเรียนไม่ทันเขาไปก่อนสังขารเจ่งกว่าวิสังขารสังขารคือไปทางปงแต่งหลงๆ ล, ลืมๆวิสังขารจุดการปงแต่งจู้เรื่องชัดเจน แต่ว่าวิสังขารไม่ทันไม่พัฒนาอันไปพัฒนาสังขารใส่ใจเนี่ยแต่ความทุกข์ก็ยังใส่ใจความโกรธก็ใส่ใจใส่ใจเพื่อจะให้มันปรุงเป็นสังขารเอาใช่ใช่ใช อ sure ั้ถุที่มีให้ให้เกิดการปลูกตาบ้างหูว่างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเพื่อจะให้ลูกได้ลถได้กินได้เสียงตามความต้องการของสังขารโบนมาลงไปสอกสอกสอกหาว่าใช่ไปแล้วก็อีกหาอีกหาอีกนับใช่บัน จนแก่จนเท่ารับใช้สังขารเป็นทาสของสังขารแตนที่จะเป็นทาส พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวิสังขารชเฉียชาติประปองผู้ที่มีสติ อุดฝึกสติโอ้มีสติช้จะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องทิ้งไม่ได้เหมือนพูดมาเปร์มเปเพื่อนโอลเพื่อนชีวิตรักษาอย่างแน่นอนไม่ไมให้โผลเพื่อนเหมือน หน้าตาของเราอะไรมาเปื้อนไม่ยอมเอาออกให้ได้หน้าตาของชีวิตคือความบริสุทธิ์ผมมจันท์ไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์ถ้ามันเป็นอะไรตรงไหนลกูกสิ่งที่มันเปื้อนออกได้ง่ายๆไม่ยากนั้นหลงไม่หลงง่ายใี้เตี่ยว ง่ายขั้วความหลงมันทุกไปทุกง่ง่ายง่ายขั้วความทุกมันโกรธไปโกรธง่ายง่า ย, ยาง่ายยากง่ายขั้วความโกรธความโกรธจังยากความทุกจังยากทำให้เพี้ยนเพียนไปหลายอย่างถ้าเกิดความโกรธสภาพร่างกายก็เพี้ยนตั้งแต่ หัวใจเต้นเหลวลวดก็เพี้ยนลุดที่มีสฉพาะในร่างกายถ้าหัวใจเต้นอย่างไวขาดเลือดใช่ไหมคนหมอพันจาเลาวโลกกับเพาะได้นอสิถ้ากดหลอดข้ากินไม่กินไม่หลงเพราะ เลือดมาเลี้ยงหัวใจทำงานหนักเหมือนเครื่องโยนต์เลี้ยงลูกสูบน้ำมันลูกสูบ ป, ปิ้งเดี๋ยวถ้าเลกินน้ำมันมากเท่านะั้นชิ้นเปลือ ง, องก่อนขับรถถ้าขับไม่ไม่ดีไม่ได้ลำดับ ลำนำเด็เดๆกินน้ำมันในควรเร่งก็เร่งไม่จำเป็นที่จะเร่งก็เร่งก็ฟรีเปล่าอย่างหลงตานั่งรถในอูเทลเลแค่สองเส้นเส้นเดียวก็วิ่งเอาหัวปักหัวปัมไปวิ่งไปแล้วก็ไปจอดใช่ไหม เพราะจอดทาไมไฟแดงพราะเห็นไฟแดงอยู่โน้นพอเห็นไฟเขียวก็วิ่งไปสุดเออเขาวิ่งเพื่อจอดเพื่อเบรกันใช้เบรกเก่งกงเท่รถช้ำเพราะเบรกแต่บ้านนอกรถช้ำเพราะหลุมเพราะบ่อตกหลุมเบรก ตกหลุมพวงมาลัยตกหลุมคันเร่งหลายหลุมเหลือเกินในกูเทพรถจึงโซมมากชีวิตก็เช่นเนียวกันใช่แดงแรงเไปหยุดมันหยุดไม่ได้ง้อกง้อปอมเช่นโกรธให้มันโกรธไปแล้ว หยุดความโกรธยากจกหยุดไปได้เลยต้องเอาสุดเหวี่ยงตกเิียวไปก่อนหมดแรงแล้วยังหยุดได้เหมือนรถวิง่งยังแรงเบรกหัวปักไปเลยตกแล้วชนแล้วเสียหายแล้วจึงหยุดได้ตายไปก็มีเหมือนคนติดอยา่า มหารลวงตาจะทำยังไงจะทำยังไงกับผมหลวงพ่อหลวงพ่อก็พูดแบบหักดิบเลยบอก่หักดิบยึดไม่ต้องกินเลยต้องขีดเลยช็อกไปเลยหน้าตาเหลืองพี่สาวเลยอุบอุ้มไปแล้วก็ลงพัะไป อะไ้ตัวขึ้นมาเลยอมเหรอผมสู้ไม่ไหวหลวงพ่อผมสู้ไม่ไหวไม่อยู่ไม่อยู่พีษสาต้องโศมกลับบ้านนะบอว่าหักดีไปกินเลยนั่นนั้นเขาก็ช็อกไปเลยมันมาอย่างแรงมันจังหยุดลำบากปริจาคก็ลงเลือดตายเลย เคยไปเชื่ อ, อยาเสพติดในค่ายตำรวจต่อชดอภาคเหนะือเอาแบบหักดิบบางคนก็ไปได้วันวันสร้างสติไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนอยู่ในกองร้อยนะ ฝึกสติไว้ก่อนพอถึงข่าวหักเดี๋ยวก็หักไม่เอาเขาก็ทําใจได้บางคนไม่ทําใจหรือปล่อยตามปล่อยป่อยตามปล่อยพอถึงข่าวที่หักจริงๆทุกวันไปอยู่เดือนหนึ่งนะในวันสองวันน่นก็ให้ยาให้ยาหมอให้ยาตำบัดถึงโอกาสก็เอาระยุดเลยพอหยุดแล้วก็ มีคนหนึ่งให้นั่งอยู่มีกองร้อยกองร้อยมีที่ตรงกลางเป็นที่ต่ำข้างสองข้างเป็นที่สูงพขาตากเดินจงกรมอยู่ในในในล่องเอาผ้าเต้นกลางไววเป็นห้องเป็นห้องห้องสี่สิบคนนายอยู่คนเดียวเดินอยู่ เสียงเก่ากระดานกอดกอดกอดกอดกอดเปิดไปดูกลางคืนเปิดเพ้าเปลี่ยนสายไฟดูลวดเต็มเบลล์เลยโทรไปเอาหมอเปิดไฟขึ้นทำเป็นลับๆไม่คนอยู่ข้างๆได้เสียกำลังใจ ไม่พวกันดูกันสองสามคนงให้ให้เลือดเอาเลือดไปให้แลให้เลือดปอกหลงทางสายสายสายยางเอาปอกออก้นไปเลยเอปอกตอนนี้อปอก อ, อก น, อนเลยเจาะเจาะเจาะเจาะ ป, ปอกห ให้เป็นขวดเท่าไรก็ปอกตอนนี้ไงปอกทางปอกคนหลวงเข้าหลวงเข้าหลงเข้าไป้พยาบาไอ้หมออะไรบอกว่าคงไม่รอดให้เลือดเท่าไหร่ก็ออกให้เลือดเท่าไหร่ก็ออกหดหมอเลยให้ให้อะไรให้อะไรให้อะไรที่ โปวินเออพอให้ปั๊บให้ให้เฮรอนให้ไม่ไม่ใช่เฮโรอนเขาเรียกว่าอะไรพอให้ลงไปปั๊บเจ็ดเดียวหยุดเลยน่าค่อยแดงขึ้นมานะาค่อยแดงขึ้นมาก็พอลงเช่าขึ้นมาก็เอาไปพูดต่อพู้กลับ เขาตัดเทงใจจะตัดเทงใจยังไงเขาก็สรภาพว่าเลิกไม่ได้ต่างผู้กำกับต่อชรอเขาบอกว่าลูกของบ้านมันผูกถ้าเลิกไม่ได้จำเป็นต้องเอาออกถ้าจะออก ถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องลาถ้าจะออกก็ลาเขียนใบลาให้เวลาคิดให้เวลาคิด 4-5 วันจะ ต, ต้อง<ะ> <c oughs> คิดโควิดเหรอโอเคไม่ใช่โควิดมัอนรถยน <c oughs> ต์นะแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ได้ขอลาเขียนใบลา มาลาหลงตาครับเขาก็โทรเอาพ่อแม่มารับกลับบ้านถ้าแม่ก็ร้องไห้เสียใจเพราะชาสองโลกตนนี้เป็นตำรวจมาติดจาเสพติดต้องส่งกันกลับบา้านแต่มันเอาไม่ได้นะปล่อยมันโกรธแล้วปล่อยมันทุกข์แล้วปล่อยให้เกิดตัณหารครอบกรรมย่มําดีเอาไม่ได้ก็นะเป็น นโยปทะป ล, ลมะไปเลยไปนั้นเราจึงเอาตั้งแต่ต้นๆนะมันไม่มากหรอกมันมีหลงเทอา น, น, น, นี้ละได้น้ <c oughs> อยเท่านี้ก็จะไม่มีภพอิชาติมีตัวนี้ก่อขึ้นมาคือภาวะที่หลงเนี่ยนะเป็ดขาดเลยไม่มีอะไรตู้พิษตัวนี้ไม่ใช่เรื่องน้อยนะถ้าไปถึง เห็นแ้อพิษมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนั้นหลงตาเห็นน้าไหลอ่ะมันทำไมยังถนนสายนั้นจึงเสียหายมากหนึ่งไปหาเหตุมันคนไปขุดเอาหินที่หลงตาวางไว้เป็นฐานฐานฐาขวงไว้มันให้มันระบายไปทางโน้นเพราะมันไหลลงมาข้ามถนนไปอันนี้ก็ข้ามถนนับ คนขุดเอาหินออกไปทำมันอื่นมันก็ไหลจะดวกเลยทับลงไปเลยเหตุประยช่ที่โน่นต่างสายนี่แม่จะใช้เท่าไหร่ก็ไม่เละแต่พอหน้ามันไหลาตามทางมามันไม่เฉลี่ยไปทางอื่นถ้าเอาหินไปใส่คนก็จะไปขุดอีกจเจ้าอะไรดีเอาดินนะ หรือเอาก้อนเห็นใหญ่ๆไปวางขวางไว้ขวางไว้ไวองคิดกันอยู่แต่เราก็หมดแรงแล้ว <c oughs> แต่ทำไรก็ต้องใช่คนอใช่คนก็เกรงใจเราทำไม่ได้ก็ใช่ก็ไม่ดี <c oughs> วานเลยให้ความเห็นว่าทางสายนี้ไม่มีวิธีใดที่ทํทำเอารถมา ตีนมาถมก็ไม่ได้มันสูงเกินโขกเกินกำหนดแล้วต้องมีหลังเดียวคือปั้นคันนาปั้นคันนาาจารย์ตุ่งเลยบอกว่าเอาเอาพวกข้างอยู่เนี่ยเอาที่เอาเลยไปบอกเขาว่าเคยปั้นคันนาไหมคนหลังเขาไม่เคยทำนาทำแต่ไ่ น่องขางแขงขายาวเนี่ยจะไปปั้นคนาไม่ต้องถอดออกน่องขางแขงขายชั้นแล้วก็ไปบอกก็เลยปั้นคนาขึ้นเดินขุดดินพีชที่โคลนขึ้นมาจะปล่อยให้แห้งเนี่ยขุดมาได้ดินเนี่ยเหนียวมากติดจบแารที่ใช้เวลาไม่น้ํามากก็เลยใช้เวลาบาาเอาโอกาสทวันเล่ย์เนี่ยปั้นค น, นาขึ้นมา เหยุดให้รถติ้งสายนี่สักระยะหนึ่งก่อนนี่คือคือเหตุมันเหตีมันเกิดจากความหลงไปไกลนะเป็นพบเป็นชาติจรามระโสกระเทวทุกข์โอเจเก็บตายถึงโน่นนะแล้วไม่หลงมีแต่ลูกเข้าไปจุดแล้วบัรสิ้นพบสิ้นชาติ พระพุเจ้าเลยประกาศเตัดขาดตั้งร่ไม่กำเหลืออีกแล้วชีวิตเราไม่กำเหลืออีกแล้วอย่างยอดสวดธรรมจักจรกบวัตถสวดไม่กำเหลืออีกไม่มีอีกพบ<ว>บัญไม่มีอีกคือไม่มีหลงน่ยมันจะมากไปเนี่ยลองเปลี่ยนดูซิเปลี่ยนหลงเป็นรู ด, ดูซิต้นๆนท่านี้แหละ เพียงกรามมือเดียวเท่านี้ไปไกลถ้าไม่เปลี่ยนหลงเป็น ล, ลูกก็จะมีความโกรธความโลภความรักความยาั้งไปดดติดไปเลยเหมือนเชื่อโรคถ้าไม่รักษาให้วัคซีนเข้าไปก็ไปไกลนะตายเลยเชื่อโลคแต่รักษาก็หายการที่รักษาแม้ ก, ก็ยังไม่ปลอดภัย ถ้ามันเป็นเราค่อยรักษาเลยการป้องกันนมันปลอดภัยกว่าวิธีป้องกันชีวิตของเราจะไม่ให้เกิดเจ็จ็บตายทั้งหมดสติสติเนี่ยนี่เป็นการป้องกันทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอยู่ที่นี่อยู่ในกำมือเราเนี่ย นุ๊กมือขึ้นเกีขึ้นน่ยอดีตอยู่ที่นี่ปัจจุบันอยู่ที่นอานาคตอยู่ที่นี่ทั้งรับคอยมันหลงเรามีอดีตอยู่ทุนยังมามาเมื่อวานนี่คืออดีตปัจจุบันก็ไม่เห็นแต่อนาคตก็ยังจะเป็นไปอีกอยู่ไกลนู้นเออมีสติเดี๋ยวเนี้มันก็อยู่เดี๋ยวเนี่ย รวมมาอยู่ในจออยู่ในเลนเลยทีเดียวเลนชีวิตเราถ่ายให้มันดีถ่ายภาพภาพของชีวิตคือเนี้ยนั่นเองน่เป็นทำได้นันเป็นเลนเป็นตานท่วมลู่แบบนี้นที่ทำเป็นแบบนี้นไม่ลืมไม่เหมือนการท่องการจา การโจทย์กาเขียนตอนนั้นลืมได้ต้ม่เห็นเนี่ยมาไม่ลืมหนูเห็นหลักเห็นฐา น, านบอกใหความรู้ไปรู้หมดอะไรไมาอยู่ตรงไหนรู้หมดต้องต้นจากความรู้สความเป็นจริงเรื่รู้เรื่อง้อนที่มันเกิดอะไรจากรูปมีเลยบ้างเห็นหมด เข้าแถวสารภาพสติมหาสติยิงใหญ่มาเข้าแถวมาทรพย์สารภาพแต่ดีก็เป็นนายแล้ววันแต่ก่อนควหลงเป็นน้อยเราบอกว่านี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนอีกไดไม่เที่ยง สิ่นั่นเป็นทุกข์ในตัวมันบอกอี่ใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรถือว่าเราตัวเราของเรามันบอกสรภาพ <c oughs> นะงั้นก็สิงโตเป็นราชาของสัตวัดตื่นสรภาพตติใหญ่ หอยเท่าของช้างใดกัวลอยเท่าของสัตว์อื่นอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเท่าของชาง้างได้ทำทั้งหลายมาร ว, วมลงที่นี่ติปัญญาหยารวมที่นี่ทั้งหมดเลยงันเวลาไหนเท่เาทำเนี่ยไม่มีคารไม่มีเวลา ทำเรื่องนี้ไม่อ้างอย่าเอาอะไรมาอ้างเอาหนุ่มเอาแเอาหญิงเอาชายเอาเพศอาทิที่กายไม่ใช่เป็นเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดในโลกถ้าเป็นชีวิตแบบมนุษย์หรือว่าคนเรานะมีกายมีใจเป็นรูปน้ําเป็นรูปธรรมเป็นน้ำธรรมอันเดียวกันมดุดแลคน เขนสองขาสองนี่โค่ีหัวตั้งอยู่บนบ่านีระบบอวัยวะเหมือนกันหม ด, หดหกิเลสตัณหาเหมือนกันควาโความโลภของหลงเหมือนกันก็เจเจ็บตายเหมือนกันหมดเนี่ยมันมานาจจัน่าชื่นชอบถามคนเดียวลู้คนเดียวรูตัวเราลู่คนนั่งลก บอกกันได้ก้าก้าบอกกล้าพูดไม่มีผิดอะไรกดหมก็จับไม่จับผิดเป็นทุกข์เป็นโทษได้บอกว่าคงทุกข์ไม่ดีกว่ามไม่ทุกข์มันดีกว่าถูกต้องกว่าหลงไม่ถูกต้องกว่ามไม่หลงถูกต้องตะโกนออกไป สี่แงห้าแผงสวามพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ไหนอรูเขยปรมาลาภาก็ไม่มีโลกเป็นลาบเป็นปัสสุตโ้ไปรูก่อนม่สูจทั้งหลายขยันพุทธเจ้าะยานันจงอุ้นได้8ป0 0มืสี่พันเลในหนังสือพระไตปรปิฎกความสอนที่เป็น พระโอษฐ์ออกจากพระโอษฐ์ของพระ อ, องค์ <c oughs> ไม่ใช่ขี้เกียจแต่ผู้ฟังจะขี้เกียจไหมก็บอกบอกอย่างนี้แล้วบอกจังนี้ไปทำมั่งไหม <c oughs> หรือเปล่าปีใส่หูควายหรือเข้าหูวใสออกหูวคว้า <c oughs> ไปตามลมตามอากาศ <c oughs> เอาไปทำให้เป็น <c oughs> เป็นขอบ <c oughs> เป็นกคำขึ้นมา ได้คำพูดน่ถ้ามีความหล ง, ลงมวมไม่คไหลงนั่นแหละงานของเรานะเราจะถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วไว้เปลี่ยนความโกรธความทุกข์ง่ายง่ายคามเกิดแก่เจ็บตายง่ายง่ายได้เปลี่ยนแต่หลงได้แล้วภาวะที่หลงนั่นแล้วไม่ได้ไปทาอะไรมันเลยมันเป็นไปเฉลี่ยว์นะ เม่วันแจก็ไม่ได้แฉเมื่อมันเจ็บก็ไม่ได้เจ็บเมื่อมันตายก็ไม่ได้ตายมันเป็นไปแล้วล่วงหน้าเป็นแล้วมันจบไปแล้วไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจํานี่คือกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่เรื่องล่าจะไหมสำหรับคนแ่ ก็มาอยู่วัดสําหรับคนไม่มีอะไรแล้วหมดอะไรตายหยาบ <c oughs> ใช่ไหมน <c oughs> ี่แหละคนมีอะไรที่มันประเสริฐนะเราก็เป็นกริรยามิตรกันตอ <c oughs> นนี่เราอยู่ที่นี่อันหน้าเรามาอยู่ที่นี่ก็เป็นมิตรกันตลอดพบตลอดชาติกี่พบกี่ชาติก็ยังเป็นมิตรกันอยู่ ในความสภาวะธรรมนะแม้เราจะมีสมมุติปัญญัตเข้าบรรจาพมภษาสมมุติปัญญัติตปญญตเป็นาศาสนพิธีาศาสนพิธีเอาองเป็นาศาสนธรรมเปลี่ยนมาเป็นาศาสนาธรรมหมดควมไม่ความไม่ความไม่ถูกต้องเปลี่ยนมาเป็นความถูกต้องหมดสมมุติเปลี่ยนมาเป็นปรตมัตดหมด ความหลงเป็นสมมติความไม่หลงเป็นปามารมัตา์ได้อย่างนี้ความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรมาจารย์ความทุกข์เป็นสมมติบัญญัติความไม่ทุกข์เป็นปามารมัตา์สัจจะสภิษฐานพิธีศ า, าสน า, าวัตถุศาสนาบุคคลเอามาสู่ศาสนาธรรมทัท้งหมดอันเดียวกันเลยว่ากรรมเมือเดียวทับใส่กระป๋วกกลับบ้านได้แล้ว ไปอยู่ไหนก็ได้เหรออ้าวสมควรใช้เวลาวันไหนกราบพระป้อกันอะลังสมาสมุทโ